พรพะทุไรปิฎกฉบับประชาชนพัตทุไรปิฎกเล่มหกหมวดที่สองปริวาสิกันทกะหมวดว่าด้วยผู้อยู่ปริวาสเมื่อมาถึงวินัยกรรมเกี่ยวกับการออกจากอาบัตสังฆาทิเศตซึ่งกล่าวไว้ในหมวดนี้ควรจะได้ทราบความหมายเกี่ยวกับศัพท์และลำดับการปฏิบัติซึ่งกล่าวถึงในหมวดนี้ก่อนซึ่งมีดังนี้หนึ่ง การอยู่ปริวาสคือการลงโทษให้ต้องอบรมตัวเองเท่ากำหนดเวลาที่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษแล้วปิดไว้ถ้าปิดไว้กี่วันกี่เดือนก็จะต้องอยู่ปริวาสเท่านั้นวันเท่านั้นเดือน2การชักเข้าหาอาบัตเดิมหรือมูลายปฏิกัสนาคือในขณะที่อยู่ปริวาสก็ตามประพฤตมานัดก็ตาม เธอไปต้องอาบัติสังฆาทิเศษซ้ำกับที่ต้องไว้เดิมเข้าอีกก็จะต้องเริ่มตั้งแต่ถูกลงโทษไปใหม่คือต้องขอกลับเริ่มต้นถูกลงโทษในลำดับแรกอีก3การประพฤติมานัดเมื่ออยู่ปริวาสครบกําหนดที่ปิดไว้แล้วหรือถ้าไม่ได้ปิดไว้เลยก็ไม่ต้องอยู่ปริวาสคงประพฤติมานัดทีเดียว การประพฤติมานัดคือการถูกลงโทษให้ต้องประจานความผิดของตนแบบปริวาสแต่มีกำหนดหกราตรีไม่ว่าจะปิดไว้หรือไม่ปิดอาบัตสังฆาทิเศษต้องประพฤติมานัดหกราตรีเหมือนกันหมด 4. การสวดถอนจากอาบัตสังฆาทิเศษหรืออับพานเมื่อภิกษุถูกลงโทษให้อยู่ปริวาส คือถ้าปิดอาบัตไว้และให้ประพฤตมานัดถูกต้องแล้วก็เป็นผู้ควรแก่การสวดถอนจากอาบัตนั้นการสวดถอนจากอาบาัตนี้เรียกว่าอับพานต้องใช้ภิกษุประชุมกันไม่น้อยกว่า20สิบรูปในระหว่างที่ถูกลงโทษเหล่านี้ภิกษุถูกตัดสิทธิมากลายทั้งยังต้องคอยบอกความผิดของตน แก่ภิกษุผู้ผ่านไปมาและบอกในที่ประชุมสงฆ์เมื่อทำอุโบสถสังฆกรรมด้วยรวมความว่าเป็นการลงโทษที่ทำให้ผู้ถูกลงโทษรู้สึกว่าหนักมากต้องเกี่ยวข้องกับสงส่วนมากโดยการประจานตัวและการสวดประกาศหลายขั้นหลายตอนตัดสิทธิภิกษุ ผู้อยู่ปริวาสสมัยนั้นภิกษุผู้อยู่ปริวาสยินดีการกราบไหว้เป็นต้นของภิกษุปกติคือผู้ไม่ต้องอาบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงวางข้อกําหนดมีให้ภิกษุผู้อยู่ปริวาสยินดีการกราบไหว้การลุกขึ้นต้อนรับการทําอัญชลีการทํชาทชอบเช่นการแสดงความเคารพ การนำอาสนะมาให้การนำที่นอนมาให้การล้างเท้าการตั้งต่างรองเท้าการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าการรับบาจีวรการถูหลังในเวลาอาบน้ำถ้าขืนยินดีให้ผู้อื่นทำแก่ตนเช่นนั้นต้องอาบัตทุกกฎทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุผู้อยู่ปริวาสด้วยกัน ปฏิบัติแสดงความเคารพเอื้อเฟื้อต่อกันดังกล่าวข้างต้นได้ตามลำดับพรรษาและทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่ปริวาส ด, ด้วยกันทำอุโบสถปวารณารับแจกผ้าอาบน้ำฝนรับโอนอาหารรับแจกอาหารได้ตามลำดับพรรษา วัดในที่นี้สะกดด้วยต่อเตารอเรือนะครับวัดหรือข้อปฏิบัติ94ข้อของผู้อยู่ปริวาสทรงแสดงวัด94ข้อของภิกษุผู้อยู่ปริวาสหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือการตัดสิทธิต่างๆห้ามทำอย่างนั้นอย่างนี้รวมทั้งสิ้น94ข้อแต่ในที่นี้จะเก็บใจความมากล่าว พอให้เห็นเป็นหัวข้อใหญ่ๆดังต่อไปนี้ 1. ไม่ให้ทำการในหน้าที่พระเทระแม้เป็นพระเทระมีหน้าที่อย่างนั้นอยู่ก็เป็นอันระงับชั่วคราวเช่นห้ามบวชให้ผู้อื่นห้ามให้นิสัยหรือรับผู้อื่นไว้ในปกครองเป็นต้น 2. กํกำลังถูกลงโทษเพราะอาบัติใด ห้ามต้องอาบาัต้นซ้ำหรือต้องอาบัตอื่นที่มีลักษณะเดียวกันหรือที่เลวซามกว่านั้น 3. ห้ามถือสิทธิแห่งภิกษุปกติเช่นไม่ให้มีสิทธิห้ามอุโบสถหรือประวารณาแก่ภิกษุปกติห้ามโจททวงภิกษุอื่นเป็นต้น 4. ห้ามถือสิทธิอันจะพึงได้ตามลำดับพรรษา เช่นไม่ให้เดินนำหน้าไม่ให้นั่งข้างหน้าภิกษุปกติเมื่อมีการแจกของพึงยินดีของเลวที่แจกทีหลังทั้งนี้หมายรวมทั้งที่นั่งที่นอนและที่อยู่อาศัยห้าห้ามทำอาการของผู้มีเกียรติหรือเด่นเช่นมีภิกษุปกติเดินนำหน้าหรือเดินตามหลังหรือให้เขาเอาอาหารมาส่ง โดยไม่ต้องการจะให้ใครรู้ว่ากำลังถูกลงโทษหกให้ประจานตัวเช่นไปสู่วัดอื่นก็ต้องบอกอาบัติของตนแก่ภิกษุในวัดนั้นเมื่อภิกษุอื่นมาก็ต้องบอกอาบัติของตนนั้นแก่ภิกษุผู้มาจะต้องบอกอาบัติของตนในเวลาทำอุโบสถเวลาทำปวารณาถ้าป่วยไขย้ต้องส่งทูตไปบอก เห้ามอยู่ในวัดที่ไม่มีสองฆ์อยู่เพื่อป้องกันการเลี่ยงไปอยู่วัดร้างซึ่งไม่มีพระจะได้ไม่ต้องประจานตัวแก่ใครๆ 8. ห้ามอยู่ร่วมในที่มุงอันเดียวกับภิกษุปกตินี้เพื่อเป็นการตัดสิทธิทางการอยู่ร่วมกับภิกษุอื่นชั่วคราว 9. เห็นภิกษุปกติต้องลุกขึ้นจากอาสนะ ให้เชิญ น, นั่งบนอาสนะหรือยืนเดินในที่หรือในอาการที่สูงกว่าภิกษุปกติสิ 10. แม้ในภิกษุผู้ถูกลงโทษด้วยกันเองก็ไม่ให้อยู่ร่วมในที่มุงเดียวกันรวมทั้งไม่ให้ตีเสมอกันและกันคือทางที่ดีไม่ให้มารวมกันให้ต่างคนต่างอยู่ตั้งแต่ข้อหถึงข้อสิบถ้าภิกษุฝ่าฝืน การประพฤติตัวของเธอเพื่อออกจากอาบัตย่อมเป็นโมฆะมีศัพท์เรียกว่าวัตเพศคือเสียวัดและรัติเฉดคือเสียราตรีวันที่ล่วงละเมิดนั้นมีให้นับเป็นวันสมบูรณ์ในการเปลืองโทษจะต้องทำใหม่และนับวันใหม่ในการรับโทษแก้ไขตัวเองิบอ ในการทำสังฆกรรมเกี่ยวกับการให้ปริวาสการชักเข้าหาอาบัติเดิมซึ่งต้องการสงสีรูปห้ามภิกษุที่ถูกลงโทษเข้าร่วมกรรมเป็นองค์ที่สี่ถ้ามีภิกษุปกติสี่รูปแล้วภิกษุที่ถูกลงโทษเข้าร่วมได้ไม่เสียกรรมและในการสวดถอนอาบัติสังฆธิเศษของภิกษุอื่นซึ่งต้องการสงสิบรูปภิกษุที่ถูกลงโทษ จะเข้าร่วมเป็นองค์ที่ยี่สิบไม่ได้ต้องมีภิกษุปกติครบ20สิบรูปจึงใช้ได้ต่อจากนี้ไปได้แสดงถึงภิกษุที่ถูกลงโทษในลำดับต่างๆกันว่าจะต้องประพฤติวัดเหมือนภิกษุผู้อยู่ปริวาสคือ 1. ภิกษุที่ควรชักเข้าหาอาบัตเดิมหมายถึงเพราะต้องอาบัติทำนองเดียวกันเข้ายีก ในระหว่างประพฤตตนเพื่อออกจากอาบัตนั้น 2. ภิกษุที่ควรแก่มานัตหมายถึงเพราะอยู่ปริวาสเสร็จแล้วหรือเพราะไม่ได้ปิดอาบัตไว้ 3. ภิกษุผู้ประพฤตมานัตคือกำลังประพฤตมานัตอยู่ 4. ภิกษุผู้ควรแก่อับพาน ค, ควรจะสวดถอนจากอาบัตได้แล้วเพราะอยู่ปริวาสและประพฤติมานัตเสร็จแล้วการเสียราตรีหรือรัติเฉดพระอุบาลีได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเรื่องการเสียราตรีหรือรัติเฉดของภิกษุผู้อยู่ปริวาสหรือประพฤติมานัตแล้ว ลวงละเมิดข้อห้ามว่าจะมีต่างกันอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าการเสียราตรีของภิกษุผู้อยู่ปริวาสมีเพราะเหตุอยู่สามอย่างคือ 1. อยู่ร่วมในชายคาเดียวกับภิกษุอื่น 2. อยู่ในวัดที่ไม่มีภิกษุ 3. ไม่บอกหรือประจานตัวเองเกี่ยวกับอาบัตินั้นแก่ภิกษุ หรือแก่สงแล้วแต่กรณีส่วนการเสียราตรีของภิกษุผู้ประพฤติมานัทมีสอย่างคือสมข้อแรกเหมือนกับของภิกษุผู้อยู่ปริวาสเฉพาะในข้อสคือประพฤติมานัทในสงที่ไม่เต็มคณะคือระหว่างประพฤติมานัดสงในวัดนั้นลดจำนวนลงน้อยกว่าสี่ไม่ได้ การเก็บปริวาทและเก็บมานัดในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอันทำให้ไม่สามารถอยู่ปริวาทหรือประพฤติมานัดได้สะดวกเช่นส่งมาประชุมกันมากมายจะเที่ยวบอกประจานตัวเองให้หมดสิ้นทั่วถึงไม่ไหวก็ส่งอนุญาตให้เก็บปริวาทหรือมานัดได้เมื่อเหตุการณ์เป็นปกติแล้วจึงสมทาน คือถือการอยู่บริวาทหรือประพฤติมานัดต่อไปใหม่